สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ดิฉันมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณมาฝากค่ะได้มาจากหนังสือที่มีชื่อว่านีิสักิต์โดยพระอาจารย์ชยาสาโรภิกขุเป็นพระภิกษุชาวต่างชาติซึ่งมีหลวงพ่อชาสุพัทโทวัวดหนองป่าพง เป็นพระอุปัชฌาย์ท่านได้ทำประโยชน์ให้แก่พระพุทธศาสนาพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดำรงตนอยู่ในวิสัยแห่งสมณะที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระภิกษุซึ่งมีศีลลาจริยวัรที่งดงามน่ากราบไหว้อีกทั้งมีเทศนาโบหารที่ลึกซึ้งกินใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านเป็นพระฝรั่งที่มีความสามารถสูงในการใช้ภาษาไทยจนเป็นที่อัศจรรย์ในความรู้สึกของพุทธศาสนิกชนที่ได้ยินได้ฟังสำหรับเรื่องนี้ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้สร้างความประทับใจให้กับรายท่านที่ได้อ่านมาแล้วซึ่งเนื้อหานั้นเน้นให้รู้จักบุญคุณ และการตอบแทนบุญคุณของบิดามารดาและผู้มีพระคุณด้วยสติปัญญาอย่างถูกต้องค่ะเรามาฟังเนื้อหาสาระดีๆที่บอกเล่าผ่านมาโดยพระอาจารย์ท่านกันเลยนะคะ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 แต่การเดินทางไปอินเดียผิดหวังนิดหน่อยไม่ได้ท้าทายอย่างที่คาดหวังขากลับจึงตัดสินใจลองเดินทางจากประเทศปากีสถานไปยังอังกฤษโดยไม่ใช้เงินบกรถไปเรื่อยๆอยากรู้ว่าเป็นไปได้ไหมอยากจะทราบความรู้สึกของผู้ที่ไม่มีอะไรอย่างลึกซึง้ง จนภัยเยอะเหมือนกันและผ่านเหตุการณ์ที่ไม่มีวันลืมเลือนอย่างเช่นพอถึงเตหารานเมืองหลวงของประเทศอิหร่านรู้สึกจะหมดแรงแล้วผอมแห้งเสื้อผ้าก็หมอมแมมกระดำกระด่างคงดูน่าเกลียดพอสมควรเห็นหน้าในกระจกห้องน้ำสาธารณะก็ตกใจส่วนใจก็เป็นเปรตมากขึ้นทุกวัน กังวลหมกมุ่นแต่ในเรื่องอาหารการกินวันนี้เราจะมีอะไรกินไหมหนาแต่ละวันท้องจะอิ่มจะว่างก็แล้วแต่น้ำใจของเพื่อนมนุษย์เราจำเป็นต้องพึ่งบารามีเพราะไม่มีอย่างอื่นพอดีเจอผู้ชายอิหร่านคนหนึ่งเขาคงสงสารและอยากฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยเขาจึงพาไปกินน้ำชาแล้วให้สตางไปเล็กๆน้อยๆ กลางคืนพักข้างถนนในซอยเงียบกลัวว่าตำรวจเห็นแล้วจะซ้อมรุ่งเช้าเดินไปนร้านขายซุปแห่งหนึ่งซึ่งจำได้ว่าซื้อซุปหนึ่งจานแล้วเขาให้ขนมปังฟรีในขณะที่กำลังเดินไปโดยพยายามไม่มองร้านอาหารข้างทางที่ดึงดูดสายตาเหลือเกินไม่ดมกลิ่นหอมที่โชยออกมา เราได้สวนทางกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาเห็นเราแล้วก็หยุดชะงักจ้องมองเราอย่างตะลึงสักพักหนึ่งแล้วเดินเข้ามาหาหน้าตาบูดบึ้งเราสั่งให้ตามเขาไปโดยใช้ภาษามือเราเป็นนักสแสวงหาเลยยอมตามไปเดินไปสักสินาทีก็ถึงตึกแถวขึ้นลิฟต์ไปถึงชั้นที่สสันนิษฐานว่าคงเป็นบ้านของเขา แต่เขาไม่พูดไม่จาอะไรเลยยิ้มก็ไม่ยิ้มหน้าถะมึงถึงตลอดพอเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าเป็นบ้านของผู้หญิงคนนี้จริงๆเขาพาเข้าห้องครัวแล้วชี้ไปที่เก้าอี้ให้นั่งนั่งแล้วเขาก็เอาอาหารมาให้ทานหลายๆอย่างเรารู้สึกเหมือนกับขึ้นสวรรค์ทำให้รู้ว่า อาหารที่อร่อยที่สุดในโลกคืออาหารที่ทานในขณะที่หิวเขาเรียกลูกชายมาสั่งอะไรก็ไม่รู้เพราะฟังไม่รู้เรื่องแต่สังเกตว่าลูกดูจะอายุไล่เลี่ย ก, กับเราสักพักใหญ่ลูกชายก็กลับมาพร้อมด้วยกางเกงและเสื้อเชิ้ตชุดหนึ่งพอเขาเห็นว่าเราอิ่มหนำสำราญแล้วก็ชี้ไปที่ห้องน้ำ สั่งให้อาบน้ำเปลี่ยนชุดใหม่เขาไม่ยิ้มไม่แย้มไม่พูดจะอะไรเลยมีแต่สั่งอย่างเดียวขณะที่อาบน้ำอยู่เราก็สันนิษฐานว่าคุณแม่คนนี้อาจจะเห็นเราแล้ววาดภาพนึกถึงลูกชายเขาเองว่าถ้าสมมุติว่าลูกเราเดินทางไปต่างประเทศแล้วตกทุกข์ได้ยากอย่างนี้ อยู่ในสภาพน่าสมเพชอย่างนี้มันจะเป็นอย่างไรฉะนั้นจึงคิดว่าเขาช่วยเราด้วยความรักของแม่เลยคิดแต่งตั้งเขาเป็นแม่กิติมศักดิ์ประจำเมืองอิรานแล้วก็ยืนยิ้มหน้าบานอยู่ในห้องน้ำคนเดียวเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปส่งเราตรงจุด ท, ที่ได้เจอกัน แล้วก็เดินเข้าไปในกระแสชาวเมืองที่กําลังเดินไปทำงานเรายืนมองผู้หญิงอิหร่านคนนั้นถูกหมู่ชนกลืนไปรู้อย่างแม่นยํำว่าชาตินี้คงไม่มีวันลืมเขาได้รู้สึกประทับใจและซาบซึ้งมากน้ำตาทำท่าจะไหลคลอเขาให้เราทั้งทงที่ไม่รู้จักกันเลย ตัวสูงสูงผอมผอมเหมือนไม้เสียบผีจากป่าชาติที่ไหนก็ไม่รู้เสื้อผ้าก็เหม็นสกปรกผมก็ยาวรุงรังแต่เขากลับไม่รังเกียจเลยมีหนำซ้ำยังพาเราไปที่บ้านและดูแลเหมือนเราเป็นลูกของเขาเองโดยไม่หวังอะไรตอบแทนจากเราเลยแม้แต่การขอบคุณมาถึงวันนี้ เวลาผ่านมา20กว่าปีแล้วจึงอยากประกาศคุณของพระโพธิสัตว์คนนี้ให้ทุกคนได้ทราบว่าแม้ในเมืองใหญ่ๆก็ยังมีคนดีและอาจมีมากกว่าที่เราคิดไม่ใช่เพียงแค่คนนี้คนเดียวตอนสมัยที่ออกแสวงหาประสบการณ์ชีวิตนั้นได้รับความเมตตาอารีความช่วยเหลือเจือจานจากคนหลายๆชาติทั้งๆที่เราไม่ได้ขออะไรจากใคร ทำให้ตั้งใจว่ามีโอกาสเมื่อไหร่ต้องช่วยคนอื่นบ้างต้องมีส่วนในการสืบอายุของน้ำใจในหมู่มนุษย์แม้สังคมทั่วไปจะอัตคัดกันดานคุณงามความดีเพียงไรแต่ขอให้เราพยายามเป็นแหล่งเขียวเล็กๆแก่เพื่อนร่วมโลกก็ยังดีต่อมาก็ได้กลับไปอยู่อินเดียอีกครั้งหนึ่ง พักปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์สายฮินดูองค์หนึ่งท่านน่าเลื่อมใสมากมีข้อวัดปฏิบัติคล้ายกับชาวพุทธอยู่กับท่านมีเวลานั่งคิดไตรตรองชีวิตของตนเองมากตอนบ่ายชอบเดินขึ้นเขาไปนั่งใต้ต้นไม้เก่าแก่ท่ามกลางสายลมดูทะเลสาบข้างล่างและทะเลทรายที่เหยียดยาวออกไปถึงขอบฟ้า ความคิดก็ปลอดโปลงโล่งดีแล้ววันหนึ่งก็นั่งนึกแปลกใจตัวเองว่าเมื่อไรที่เราละลึกในความมีน้ำใจของผู้ที่เคยเกื้อกูลการเดินทางของเราให้อาหารบ้างให้ที่พักสักคืนสองคืนบ้างเราจะรู้สึกทึ่งทุกครั้งแต่ทำไมพ่อแม่เลี้ย ง, งเรามาตั้งส8บดปีให้อาหารทุกวันไม่เคยขาด วันละสามมือม้อบ้างสี่มื้อบ้างและยังเป็นห่วงว่าจะไม่ถูกปากเราอีกท่านให้ทั้งเสื้อผ้าและที่นอนยามป่วยไข้ก็พาไปหาหมอและดูเหมือนว่าท่านจะเป็นทุกข์มากกว่าเราเสียอีกทำไมเราไม่เคยซึ้งในเรื่องนี้เลยมันไม่ยุติธรรมและน่าละอายสำนึกตัวว่าประมาทเหลือเกิน ในขณะนั้นเหมือนเขื่อนพังตัวอย่างความดีของพ่อแม่หลายทะลักเข้ามาในจิตจนตื้นตันใจมากนี่คือจุดเริ่มต้นของการรู้จักบุญคุณของพ่อแม่ในชีวิตของเราเราคิดต่อไปว่าตอนคุณแม่ท้องก็คงลำบากในช่วงแรกคงแพ้ท้องต่อมาการเดินการเหินการเคลื่อนไหวทุกประเภท คงไม่สะดวกไปหมดปวดเมื่อยแต่ท่านก็ยอมเพราะเชื่อว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นมีความหมายและความหมายนั้นก็คือเรานั่นเองตอนเด็กเราต้องอาศัยท่านหมดทุกสิ่งทุกอย่างทำไมเรารู้สึกเฉยเฉยเหมือนกับว่าเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องให้และเป็นสิทธิของเราที่จะรับ ต่อมาเลยสํานึกได้ว่าที่มีโอกาสปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นที่พึ่งของตนว่ mm. าศสยที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เคยเป็นที่พึ่งอันมั่นคงแก่เราในการก่อนนั่นเองทำให้จิตใจเรามีฐานที่เข้มแข็งพอที่จะสู้กับกิเลส ข, ของเราได้เมื่ออายุ20สิปีได้เดินทางมาเมืองไทยเพื่อบวชในบวรพระพุทธศาสนา โยมพ่อโยมแม่ก็ไม่ขัดข้องเพราะต้องการให้ลูกดำเนินชีวิตในทางที่พอใจและมีความสุขปีที่แล้วนี่เองที่โยมแม่สารภาพว่าวันที่ลูกจากบ้านไปเป็นวันที่แม่เศร้าโศกที่สุดในชีวิตรู้สึกประทับใจมากที่ท่านพูดอย่างนั้นแต่ที่ประทับใจยิ่งกว่านั้นคือการที่โยมแม่อดทน ไม่พูดให้เราทราบความทุกนี้ตั้ง2ี่สิปีเพราะกลัวเราจะไม่สบายใจพอปวดแล้วบางครั้งอดที่จะตำหนิตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าตอนอยู่กับพ่อแม่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณท่านทุกวันแต่ไม่ค่อยได้ทำอะไรเดี๋ยวนี้อยากทำแต่ทำไม่ได้เพราะอยู่ห่างไกลและเป็นพระด้วย จึงรู้สึกเสียดายเลยต้องตั้งใจแผ่เมตตาแก่ท่านทุกวันในภาษาอังกฤษคำว่าบุญคุณของพ่อแม่นั้นไม่มีที่เมืองนอกความรักและความผูกพันระหว่างพ่อแม่กับลูกมีอยู่เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความรู้สึกว่าสมาชิกครอบครัวมีหน้าที่ต่อกันนั้นมีน้อยกว่าที่นี่ ชาวตะวันตกชอบเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบการก้าวไกลไม่ค่อยเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกมีความลึกลับอะไรไม่เห็นว่าพ่อแม่มีสิทธิ์อะไรพิเศษที่จะได้กำหนดแนวทางชีวิตของลูกในคำสอนเกี่ยวกับสัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะคือพื้นฐานของความเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรในชีวิต พระพุทธองค์ทรงตัดข้อหนึ่งว่าต้องเชื่อว่าพ่อมีจริงแม่มีจริงอ่านแล้วชวนให้งงนะเอเรื่องนี้น่าจะชัดแจ้งต่อทุกคนอยู่แล้วใครจะไม่รู้ว่าคนเราจะเกิดเป็นคนได้ก็เพราะมีพ่อมีแม่ในเรื่องนี้ขอให้เข้าใจว่าเป็นสำนวนในภาษาบาลีอาจแปลขยายความได้ว่า ต้องเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกนั้นมีความหมายสำคัญที่ควรยอมรับและเคารพความสัมพันธ์นี้เป็นเรื่องลึกลับและลึกซึง้งพระพุทธองค์ทรงสอนว่าไม่มีบาปกรรมใดหนักกว่าการฆ่าบารดาหรือบิดาในภาษาบาลีท่านเรียกว่าเป็นอนันตาริยกรรม คือกรรมชนิดที่สํานึกปากแล้วกลับตัวอย่างไรก็แก้ไม่ได้เลยฉะนั้นองคุริมานฆ่าคน999คนแต่ยังบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้แต่ถ้าสมมุติว่าองคุริมานได้ฆ่าพ่อหรือแม่เพียงคนเดียวก็หมดหนทางเรียกว่าเป็นเรื่องลึกซึง้งไม่ใช่ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนอย่างนั้น เพียงเพื่อเป็นอุบายช่วยเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวนะแต่เป็นสัจธรรมความจริงที่ท่านทรงค้นพบแล้วเปิดเผยเพื่อประโยชน์สุขแก่มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยฉะนั้นมติของพระพุทธศาสนาคือเรากับท่านทั้งสองคือคุณพ่อคุณแม่มีความผูกพันที่ลึกลำ้ำคงข้ามภพชาติหลายภพหลายชาติแล้ว เป็นสิ่งที่เราควรยอมรับเคารพและเอาใจใส่สรุปแล้วเรามีอะไรที่ยังค้างอยู่กับท่านซึ่งในบางกรณีอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีบ้างเหมือนกันเช่นลูกที่ถูกทอดทิ้งหรือโดนทารุณกรรมโดยการทุบตีหรือร่วงระเมิดทางเพศก็มีและดูจะมีมากขึ้นทุกวัน แต่ความสัมพันธ์พิเศษระหว่างพ่อแม่กับลูกยังมีอยู่ในทุกรายชาตินี้เป็นแค่ฉากเดียวฉากก่อนเราไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเราควรประนามและพยายามทุกวิถีทางที่จะป้องกันการเบียดเบียนลูกลงโทษผู้กระทำผิดตามกฎหมายแต่ไม่ต้องเพ่งโทษเขาด้วยอคติเพราะข้อมูลเราไม่ครบ ฝ่ายลูกควรตอบแทนบุญคุณที่อาจมองไม่เห็นเท่าที่ทำได้อย่างน้อยที่สุดก็ด้วยการให้อภัยพ่อแม่ที่เป็นยัก์เป็นมารกับลูกยังมีน้อยส่วนใหญ่เป็นพรมเป็นพระกับลูกมากกว่าพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ในที่หลายแห่งที่ชินหูกันมากที่สุดคือตอนที่ท่านทรงสอนทิฏฐบ ให้กับหนุ่งชื่อสิงคาละกะมีข้อความตอนหนึ่งว่าบุตรธิดาควรบำรุงมันดาบิดาผู้เป็นเหมือนทิศเบื้องหน้าโดยท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบช่วยทำกิจธุระการงานของท่านดำรงวงศ์สกุลประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาทเมื่อท่านลุ่งรับไปแล้วทำบุญให้ท่าน คำสอนในพระสูตรนี้เป็นโครงสร้างของสังคมพุทธที่เน้นความรับผิดชอบต่อกันหรือหน้าที่มากกว่าสิทธิของแต่ละคนที่จะได้รับทุกวันนี้ในเมืองไทยยังมีลูกที่ปฏิบัติตามหลักนี้อย่างน่าชมจำนวนไม่น้อยแต่ที่นี้อยากจะอ้างพระพุทธพจน์อีกบทหนึง่งซึ่งมีการปฏิบัติตามน้อยกว่าคือ พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าลูกคนไหนเชิญคุณพ่อคุณแม่ไปนั่งบนบาคนละข้างแล้วแบกไปแบกมาตลอดร้อยปีรับใช้ด้วยอาหารประณีที่ท่านชอบอาบน้ำนวดเส้นให้ท่านแม้จนกระทั่งปล่อยให้ท่านถ่ายปัสสาวะและอุจจาระราดบ่าหรือไม่อย่างนั้นก็มอบเงินให้ท่านเป็นจำนวนล้านหรือสิบสิบล้าน ตั้งท่านไว้ในตำแหน่งมีเกียรติยศและอำนาจทำถึงขนาดนี้ก็ยังยากที่จะตอบแทนบุญคุณท่านได้หมดแต่ว่าลูกคนใดสามารถปลูกฝังหรือชักนำให้พ่อแม่ผู้ไม่มีศรัทธาในหลักธรรมหรือมีศรัทธาน้อยได้มีศรัทธามากขึ้นพ่อแม่ผู้ไม่มีศีลหรือมีศีลที่ขาดตกบกพร่องได้มีศีลมากขึ้น พ่อแม่ผู้ตรณีให้กลายเป็นผู้ยินดีในทานและการช่วยเหลือเกื้อกูลพ่อแม่ผู้ไม่มีปัญญาชนะกิเลสและดับความทุกข์ได้มีปัญญาลูกที่ทำอย่างนี้ได้สำเร็จก็ถือว่าตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้สมบูรณ์ได้ใช้หนี้อันศักดิ์สิทธิ์ได้หมด พระสูตรนี้ให้ข้อคิดหลายอย่างเข้าใจว่าพระพุทธองค์ทรงตรัสบทนี้อย่างอมยิ้มไม่เชื่อลองวาดภาพตัวเองป้อนอาหารแก่พ่อแม่ผู้นั่งบนบาเราดูเถิดรับน้ำหนักท่านไม่ถึงร้อยปีหรอกอาจจะไม่ได้ห้านาทีด้วยซ้ำไปคุณแม่บางคนอาจไม่กล้าขึ้นเลยเพราะกลัวตกพื้นแขนขาหัก ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสอย่างนี้น่าจะเป็นเพราะว่าท่านทรงต้องการให้เราพิจารณาว่าโอ้โหทำถึงขนาดนั้นยังไม่พอนับราษาอะไรกับที่พวกเราทำกันทุกวันนี้ท่านคงอยากให้เห็นว่ามันเหมือนกับเราเป็นหนี้สินจำนวนมหาศาลติ้ น, นุลแทบตายก็ได้แต่ดอกเปี้ยไปให้เขาเขาทวงเงินมา เราจะอ้างความเหน็ดเหนื่อยกับเจ้านี่ไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นเขาสนใจแต่เงินที่ยังเหลืออยู่เราทำอะไรให้พ่อแม่ก็เหมือนกันเราอาจจะคิดว่าเราทำได้มากแล้วจริงๆแล้วถ้าไม่ช่วยทางด้านธรรมการปรนิบัติก็เป็นแค่การชาระดอกเบีย้ยเท่านั้นเองเพราะนี่พ่อแม่ไม่ใช่นี่ธรรมดาแต่เป็นนี่ศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธองค์จึงทรงสอนว่านอกเหนือจากการปฏิบัติพ่อแม่แบบทิฏหกแล้วชาวพุทธเราต้องพยายามส่งเสริมให้ท่านทำแต่คุณงามความดีด้วยเรียกว่าเป็นกรารยานามิตรของมารดาปิยาตรงนี้เราสามารถเห็นลักษณะของสังคมพุทธชัดขึ้นว่าเป็นสังคมที่ทุกคนพยายามเป็นกรารยานามิตรต่อกัน พ่อแม่ควรเป็นกาลยานมิตรต่อลูกลูกควรเป็นกาลยานมิตรต่อพ่อแม่พี่ควรเป็นกาลยานมิตรต่อน้องน้องควรเป็นกาลยานมิตรต่อพี่สามีควรเป็นกาลยานมิตรต่อภรรยาภรรยาควรเป็นกาลยานมิตรต่อสามีทุกคนควรช่วยกันขัดเกลากิเลสสร้างชีวิตและสังคมแห่งความเมตตากาุณาและปัญญา พระพุทธองค์ทรงสอนว่าลูกที่ดีควรเอาใจใส่ปรณิบัติมารดาบีดาการปรณีิบัตินั้นเริ่มด้วยวัตถุแต่ไม่ได้จบด้วยวัตถุการให้วัตถุหรือการอำนวยความสะดวกสบายเป็นสัญลักษณ์ของความรักแต่ไม่ใช่เครื่องพิสูจน์ความรักและไม่ควรเป็นสิ่งทดแทนความรักเสียเลย วิธีการปฏิบัติต่อพ่อแม่ในแต่ละครอบครัวจะไม่เหมือนกันเพราะย่อมขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่าง mm. เช่นลูกมีกี่คนยังเด็กหรือโตแล้วอยู่ที่บ้านหรือออกเรือนแล้วอยู่ใกล้หรือไกลเป็นต้นถ้าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในวัยชราแล้วลูกที่ดีก็ต้องช่วยกันดูแลหรือผู้ที่ไม่สะดวกจริงๆ ก็หาโอกาสไปเยี่ยมบ่อยๆหรืออย่างน้อยที่สุดโทรศัพท์ไปคุยหรือเขียนจดหมายเป็นประจำเล่าให้ท่านฟังเรื่องราวในชีวิตของลูกเพราะความที่รู้ว่าลูกคิดถึงและเป็นห่วงเป็นยาเย็นที่สามารถสงบจิตสงบใจของพ่อแม่ได้อย่างสนิทมีฤทธิ์มากกว่ายาที่หมอจัดให้ท่านเยอะฉะนั้นลูกต้องให้ในสิ่งที่ตนมีอยู่ ท่านป่วยเราเสียค่ายาค่าหมอให้ท่านก็ดีมากแต่ถ้าเรายากจนช่วยด้านนั้นไม่ได้เราต้องให้ในสิ่งที่เรามีเช่นเวลาการนั่งเป็นเพื่อนอ่านหนังสือให้ท่านฟังหรือการพยาบาลเท่าที่เราทำได้เช่นการนวดการเช็ดตัวการป้อนผ้าอาจมีค่าต่อท่านมากกว่าเงิน พระสูตรที่อ้างถึงข้างต้นนั้นทำให้เข้าใจว่าตัวกำหนดความสุขและความทุกข์ในชีวิตของเราที่ยิ่งใหญ่คือความรู้สึกนึกคิดหรือจิตใจของเราเองท่านจึงสอนว่าลูกที่สามารถช่วยให้คุณพ่อคุณแม่ตั้งอยู่ในคุณธรรมมีจิตใจแจ่มใสเบิกบานได้ก็ได้บุญมากทีเดียวเพราะเป็นการให้หรือช่วยให้ท่านได้สิ่งล้าค่า การให้สิ่งของมันเสียได้เสื่อมได้บางครั้งกลายเป็นดาบสองคมก็มีการนำรับใช้ก็ช่วยท่านได้เฉพาะในชาตินี้แต่กุลงามความดีไม่มีโทษอย่างนั้นเลยไม่ลอยตัวตามความเชื่อถือของใครไม่มีขึ้นไม่มีลงไม่มีใครแย่งชิงได้และยังเป็นสเสบียงในการเดินทางไปสู่ชาติหน้าด้วย ท่านจึงเรียกคุณธรรมต่างๆว่าเป็นอริยทรัพย์คือเป็นทรัพย์อันประเสริฐเพราะเป็นสื่อให้ได้สิ่งอันประเสริฐคือความเป็นอิสระจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงเราควรจะให้ความสุขความสบายแก่ผู้มีบุญคุณต่อเราให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้แต่ในขณะเดียวกันไม่ควรลืมความจริงว่าสิ่งที่สูงกว่านี้ยังมีอยู่ ต้องเข้าใจว่าการช่วยลดความทนทุกข์ทรมานในการหลงวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารของพ่อแม่ยังสู้การช่วยลดเหตุที่ทาให้พ่อแม่ต้องได้รับความทนทุกข์ทรมานนั้นต่อไปไม่ได้มติของพระพุทธศาสนาในเรื่องการตอบแทนบุญคุณจึงขึ้นอยู่กับหลักความเชื่อของเราว่า 1. การเวียนว่ายตายเกิดเป็นพุกและการไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นสุข 2. การเวียนว่ายตายเกิดมีกิเลสเป็นเชื้อ 3. มนุษย์ปล่อยวางกิเลสได้และควรปล่อยวางและ 4. การปล่อยวางกิเลสและบำเพ็ญความดีคือการปฏิบัติไปสู่ความสุขที่แท้จริง ปัญหาอยู่ที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้ปลูกฝังหรือชักนำให้คุณพ่อคุณแม่ของเราจเจริญด้วยศรัทธาศีลจาระปัญญาอย่างที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำไว้ก่อนอื่นขอให้เตรียมตัวรับความผิดหวังเราอาจจะทำไม่ได้เหมือนกันหรืออาจจะได้ผลน้อยไม้อ่อนของเรายังดัดยากพอสมควร ทำไมไม้แก่ของท่านต้องดัดง่ายอย่ารำคาญท่านเลยอย่าหงุดหงิดอย่าท้อแท้ใจจะไม่เป็นบุญ <S <S การที่คนเราเปลี่ยนยากเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นขอให้ทําโดยไม่ต้องคาดหวังมากทำเพราะเป็นหน้าที่ของลูกที่ดีอย่ายอมให้เป็นทุกข์กับการทำความดีเลย สิ่งที่สำคัญคือเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีโบราณบอกว่าสิ่งที่ทําดังกว่าคำที่พูดการชักนำที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การพูดก็ได้จงให้คุณพ่อคุณแม่เห็นประโยชน์ที่เราได้จากการศึกษาและปฏิบัติธรรมให้ท่านเห็นความใจดีความใจเย็นความเมตตาความสุขุมรอบคอบ ความไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคของเราท่านจึงจะเริ่มใสและมีกำลังใจทำตามพูดง่ายๆว่าอยากช่วยคุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยตัวเองไปพร้อมๆกันการช่วยในข้อที่สคือจาคะคงจะง่ายกว่าเพื่อนเพราะวัฒนธรรมไทยได้เน้นแนวเรื่องนี้มาตลอดคงไม่มีประเทศไหนในโลกที่คนยินดีในทานเหมือนเมืองไทย อย่างไรก็ตามลูกกัตัญยูต้องคอยชวนท่านทำบุญอยู่ตามโอกาสและในอัตราที่เหมาะสมและพอดีควรชวนท่านให้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาและสังคมทั่วไปอย่างแท้จริงมีสติปัญญาในการให้รู้รู้ความควรและไม่ควรเช่นให้ทราบว่าพระวินยัยห้ามพระขออะไรจากโยม ผู้มิใช่ญาตินอกจากว่าโยมเคยปวารณาไว้ฉะนั้นพระเรี่ยายารกาลังทำสิ่งที่ผิดวินัยไม่ต้องกลัวว่าถ้าไม่ให้จะเป็นบาปตรงกันข้ามให้แล้วเป็นบาปมากกว่าเพราะเป็นการส่งเสริมความทุศีนของพระและความเสื่อมเสียของสถาบันสงนอกจากนี้ การเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟยฟุ้งเฟ้ อ, ฟมฟอไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่หลงไหลกับวัตถุเป็นการเตือนสติให้พ่อแม่ไม่ให้ติดในวัตถุด้วยซึ่งเป็นอีกความหมายหนึ่งของคําว่าจาคะคในกรณีนี้เราทำหน้าที่เป็นกระจกให้ท่านได้ดูตัวเองคุณพ่อบางคนเห็นรถยนต์รุ่นใหม่เอี่ยมก็กระโดดโลดเต้นเหมือนเด็กหนุ่ม คุณแม่บางคนพอเห็นเสื้อผ้าแบบไมเอี่ยมก็อุทานออกมาเหมือนสาวรุ่นทั้งสองมักจับไข้อยากได้โดยฉับพลันในสมัยปัจจุบันอากับกิริยาที่โบราณถือว่าเป็นการเสียผู้ใหญ่กลายเป็นเรื่องธรรมดาการรู้จักความพอดีของเราจึงอาจเตือนท่านได้บ้างในข้ออื่น คงแล้วแต่นิสัยของพ่อแม่ถ้าท่านเคยเข้าวัดและสนใจในเรื่องธรรมะเราคงชวนท่านคุยในเรื่องมีสาระได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าท่านไม่เคยและสุขภาพยังดีคือ ย, ยังไม่กลัวตายท่านอาจจะไม่ชอบเพราะผู้ที่ยังหวงแหนกิเลสว่าเป็นของมีค่าเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีรสชาติจะรู้สึกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่คุกคาม และเขาจะพยายามหลบหลีกหรือปัดเป่าถ้าเป็นอย่างนั้นต้องยอมรับด้วยความเคารพในสิทธิของท่านอย่าพึงเคี้ยวเข็นท่านมากธรรมะไม่ใช่สิ่งที่ใครจะยัดเยียดให้ใครได้ถึงแม้ว่าผู้อยากให้มีความหวังดีก็ตามต้องปล่อยวางไว้ก่อนถ้าท่านพร้อมเมื่อไรเราก็ยังยินดีเหมือนเดิม ส่วนพ่อแม่ที่สนใจชวนท่านไปวัดก็ดีให้ท่านได้ทำบุญฝังเทศนั่งสมาธิภาวนาในที่สงบบ้างถ้าท่านยังงมงายในเรื่องวัตถุมงคลไสยศาสตร์การดูหมอหาคนทรงไหวพระลาหูและอื่นๆถ้าพูดได้ก็พูดแต่ควรหาการหาเวลาอันสมควรและอยาให้ท่านรู้สึกว่า เรารู้ท่านไม่รู้เราฉลาดท่านโง่ชวนให้ท่านออกกำลังกายเป็นประจำการรํามวยจีนเหมาะดีเพราะเป็นการเจริญภาวนาอยู่ในตัวหาหนังสือธรรมะดีๆให้ท่านอ่านหรือเปิดเทปให้ท่านฟังชวนท่านคุยในเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายบ้างโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องอภิมงคลศรัทธาและปัญญา เกิดจากการกล้าเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตไม่ใช่ว่าไม่ยอมคิดถึงเรื่องพันนี้แล้วจะพ้นมันไปได้ขอให้เข้าใจด้วยว่าการเป็นลูกที่ดีไม่ได้หมายความว่าต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณพ่อคุณแม่สั่งหรือขอร้องไม่ใช่ว่าการฝืนใจท่านต้องบาปเสมอทำไม ก็เพราะพ่อแม่ที่สั่งและขอร้องในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสมก็มีท่านชวนเราทำในเรื่องผิดกฎหมายหรือในอบบยามุกต่างๆเช่นกินเหล้าหรือเล่นการพนันเป็นต้นเราไม่ทำตามก็ไม่ผิดนอกจากพ่อแม่เราแล้วเรายังเป็นลูกของพระพุทธเจ้าอยู่ บุญคุณของพระพุทธองค์ยิ่งมากกว่าของพ่อแม่อีกฉะนั้นในเมื่อการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ขัดกับปรักความถูกต้องผู้มีปัญญาต้องเอาความถูกต้องก่อนการเป็นตาลยา น, นมิกับตัวเองและคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเอาใจท่านในทุกเรื่องเราต้องมีหลักการที่ชัดเจนดีงามและไม่เข้าข้างตัวเอง มีเวลาว่างตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ทำวัดสวดมนต์กับท่านชวนท่านนั่งสมาธิด้วยกันความสงบให้ความสุขและความเข้มแข็งความผ่องใสที่น่าอัศจรรย์แกผู้ที่เข้าถึงและผู้ใดทําจิตสงบได้แล้วมักมีอายุยืนด้วยความสงบให้ความสุขความเข้มแข็งและความผ่องใสที่น่าอัศจรรย์แกผู้ที่เข้าถึง และผู้ใดทําจิตสงบได้แล้วมักมีอายุยืนด้วยเนื่องจากว่าพลังสมาธิข่มความว้าวุ่นขุ่นมัวความวิตกกังวลซึ่งเป็นตัวทําลายภูมิต้านทานโรคถ้าท่านฝึกสมาธิจนชำนาญท่านจะมีที่พึ่งภายในอันเลิศในยามเจ็บไข้ได้ป่วยส่วนการช่วยท่านขัดกลาวกิเลส วิธีการง่ายๆอย่างงนึงคือการไม่ยอมพูดคุยในเรื่องที่เป็นอกุศลไม่ยินดีในการนินทาใครลับหลังถ้าเราเงียบไปท่านจะไม่สนุกและคงจะรู้สึกตัวบ้างลูกที่ยังอยู่ที่บ้านต้องเป็นกลางในการประทะกันระหว่างพ่อกับแม่ที่อาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวในยามตึงเครียด ทั้งสองฝ่ายมักจะแทบทามเพื่อให้เราเข้าข้างเป็นพันธมิตรลูกที่ดีต้องไม่ยอมอย่างนั้นคงอยู่เป็นกรรมการดีกว่าพยายามพูดให้ท่านเย็นลงระวังอย่าทำอะไรหรือพูดอะไรที่ทำให้เหตุการณ์กำเริบชวนให้ท่านยอมซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องมีแพ้มีชนะกัน อดทนในการฟังเรื่องทุกข์ใจของท่านทั้งสองโดยไม่เบื่อหน่ายอย่างนี้เรียกว่าการตอบแทนบุญคุณเหมือนกันเป็นการช่วยให้ท่านมีสติไม่ละเมิดในหลักสัมมาวาจาถ้าเราปฏิบัติเป็นกาลยานมิตรต่อคุณพ่อคุณแม่นานๆานเข้าความเชื่อถือของท่านในตัวเราจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และโอกาสที่เราจะได้ชักนําท่านในทางที่ดีจะมีมากขึ้นแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนขอให้สังเกตว่าเราเองก็ได้กำไรอยู่เรื่อยเพราะในการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่เราต้องใช้ความอดทนมากผู้ที่ชาราแล้วชอบหงุดหงิดจุกจิกหรือหลงลืม เป็นอย่างนั้นแล้วเราต้องรักษาความทรงตัวของจิตไว้ทั้งๆ ท, ที่อยากรำคาญการช่วยท่านกับช่วยตัวเองจึงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จริงโลกนี้เป็นโลกแห่งบุญคุณอาหารที่เราได้ทานวันนี้เราปลูกเองไหมมันมาจากไหนบ้างเสื้อผ้าที่ใส่วันนี้เราตัดได้เองไหม ผ้ามาจากไหนเสื้อที่ทำจากฝ้ายชิ้นหนึ่งต้องมีทั้งผู้ปลูกฝ้ายผู้เก็บเกี่ยวฝ้ายผู้ทอฝ้ายผู้ตัดเสื้อหรือผู้ออกแบบเครื่องทอและตัดผู้ผลิตผู้ขายและอื่นๆวันนี้ถ้าได้ใช้โทรศัพท์ดูโทรทัศน์หรือนั่งรถยนต์ เราได้อาศัยความฉลาดและความเพียรของเพื่อนมนุษย์สกี่คนในกี่ประเทศการสำนึกในสิ่งที่เราได้ว่ามาจากไหนบ้างจะทำให้จิตใจสงบลงไปได้และทำให้เรารู้สึกถึงสายสัมพันธ์ระหว่างชาวโลกที่ตาเนื้อมองไม่เห็นไม่ใช่ว่าเราเป็นหนี้แต่มนุษย์อย่างเดียว สัตว์ก็มีบุญคุณต่อเราเหมือนกันเช่นไส้เดือนไม่กินดินมนุษย์ก็ทำการเกษตรไม่ได้ทำการเกษตรไม่ได้ก็ตายทั้งนั้นแหละไส้เดือนก็มีบุญคุณต่อเรามากไม่ต้องพูดถึงควายวัวและสัตว์เลี้ยงอย่างอื่นเราเคยคิดขอบใจมันบ้างไหมจริงๆแล้วมนุษย์หายจากโลกเมื่อไหร่น่ากลัว สัตว์ทุกจำพวกต้องออกมาโห่ร้องกันจนเสียงแหบเมื่อนั้นเพราะมนุษย์เราในวรคุณใช้สอยของธรรมชาติตลอดแต่กลับทำลายธรรมชาติจนโลกจนจะพินาศเพียงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวด้วยหลงว่าเราเป็นเจ้าโลกไม่ต้องรับผิดชอบอะไรต่อสัตว์และพืชร่วมโลกของใครของมัน แม้ชาวพุทธเราซึ่งน่าจะฉลาดกว่านี้ก็รับเอาความคิดของชาวตะวันตกโดยไม่ค่อยรู้สึกตัวเลยยินดีกับการทำลายอนาคตของโลกอย่างหน้าตาเฉยต่อจากนี้ไปเราและลูกหลานของเราจะต้องรับผลกรรมแล้วเราจะไปโทษใครเดี๋ยวนี้อาจจะไม่สายเกินแก้แต่เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ ให้รับรู้ในความลึกซึ้งของบุญคุณช่วยกันปรับความเห็นแก่ตัวของมนุษย์จุดเริ่มต้นคือครอบครัวของเราเองพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าในโลกนี้ผู้ที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องของเราในชาติก่อนหาได้ยากมากฉะนั้น ผู้ที่ทราบซึ้งในบุญคุณของผู้มีอุปการะคุณต่อตนควรจำบทนี้ไว้ด้วยแล้วให้เราปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนในลักษณะเป็นเพื่อนที่ดีและให้เราเป็นเพื่อนที่ดีของโลกที่เราอยู่ด้วยสุดท้ายนี้จึงขอให้เราทุกๆคนใช้ชีวิตอย่างกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนที่ดีแก่ตัวเองทำพูด และคิดแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นเป็นเพื่อนที่ดีแก่ผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ให้ในสิ่งที่ควรให้รับใช้ในสิ่งที่ควรรับใช้ที่สำคัญที่สุดคือให้ท่านและให้เราเองเจเริญด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญา ตลอดกันและนานเทิน